กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อทีหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรุบมายัางพระอาจารย์สุรินพันเตขอโอกาสเพื่อนศาสตรมิกจเจริญพรมายัางเมชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนเนาะก็นั่งกันตามปกตินะด้วยความรู้สึกตัววันนี้ก็เป็นเย็นของวันอาทิตย์ ที่2ีมกราคมพุทธศักราช2561นาก็ผ่านปีใหม่มาเกือบเดือนแล้วก็หลังจากเราทำวัดเย็นทำวัดเช้าเราก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์กาลยานมิตรมาพูดคุยเพื่อเป็นส่วนประกอบนในการที่เราจะ ได้มาศึกษานะมาเรียนรูนะ้เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเรานะมาวัดป่าสุก โ, โตนี่ถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้นะเขาเรียกว่ามาไม่ถึง <c oughs> มาไม่ถึงวัดป่าสุกโตนะโดยเฉพาะเ <c oughs> มื่อวานท่านจันภัยศารเนาะก็ได้นาเสนอเรื่องของสิ่งที่เป็นบุญนะสิ่งที่เราควรจะ ได้เรียนรู้นะการมาวัดนะเรามีจุดประสงคนะ์ก็มีหลากหลายแตกต่างกันออกไปนะแต่สุดท้ายตอนสุดท้า ย, ยท่านก็จะเน้นว่านะการที่เราจะไม่ทุกข์เนี่ยมันจะต้องฝึกจิตฝึกใจนะเราได้ยินได้ฟังเนี่ยนะเรียกว่าเป็นบุญหูนะฟังแล้วรู้สึกมีกำลังใจนะมีเรียกว่ามีพลังนะอยากจะทำอยากจะปฏิบัต นะอย่างที่ท่านได้พูดเส้นะตรงนีนะ้ก็ทำให้เรามีกำลังใจนในการที่จะประพฤติปฏิบัติที น, ะนี้เราแค่ได้ยินได้ฟังแล้วเราชื่นใจเรามีกำลังใจเนะี่ยแล้วเราลงมือทำหรื อ, อยังเออเนะีนะ่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมากลับมาพิจารณานะใครครวนดนะูเพราะว่าธรรมะที่แท้จริงเนี่ยนะ มันอยู่ที่การปฏิบัติมันต้องเกิดจากการกระทำนะเพียงแค่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเป็นธรรมะที่จดจำมานะเรียกว่ารู้จำนะแต่ว่ายังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จริงการจะรู้แจ้งรู้จริงต้องลงมือกระทนะต้องปฏิบัติลงไปนะซึ่งที่วัดป่าสุขกโตเราเนี่ยก็มีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนนะโดยเฉพาะ ย, ายิ่ง นะการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวนะซึ่งหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะท่านพูดมาตั้งแต่ปี 2.500 นะถึงวันนี้ปีนี้ก็6 0สหรือ61ปีละนะรูปแบบก็ชัดเจนนะการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวนะซึ่งก็เป็นรูปแบบที่ถ้าว่ารูปแบบนี้ก็จะแตกต่างเนาะจากที่เราเคยคุ้น เคยได้ยินได้ฟังเคยเห็นเคยอ่านหนังสือซึ่งความแตกต่างเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผิดไปจากเป้าหมายหรือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้ในพระไตรปิฎกหรือว่าครูบาอาจารย์ต่างๆได้พูดสืบต่อกันมาโดยเฉพาะหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ได้นำสิ่งเหล่านี้มาพูดมาสอน นะขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่และขณะที่ท่านสิ้นไปแล้วนะสิ่งที่ท่านพูดนะสิ่งที่ท่านได้ทําให้ดนะูก็ยังเรียกว่าประทับอยู่ในจิตใจของพวกเรานะแล้วเราก็ได้น้อมนํามานะประพฤติปฏิบัตนะิได้ทดสอบทดลองด้วยตัวเราเองอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นธรรมะที่แท้นะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ใช่ธรรมะที่ไปจดจํา จากการได้ยินได้ฟังการไปอ่านอันนั้นก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ของจริงนะแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนกับเพื่อนเรามีรถเบน์นะแล้วก็เราก็ไปนั่งรถเบน์กับเพื่อนนะเราก็ภูมิใจนะว่าเราได้นั่งรถเบน์แต่ถามว่ารถเบน์เป็นรถ เ, เราปะก็ไม่ใช่ใช่ไหมการไปได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์นะพูดธรรมะลึกซึ้งนะถูกใจปลื้มใจ ก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่าถ้าจะให้มันดีเนี่ยเราต้องเอาสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมากระทํามาปฏิบัติมาทดลองนะซึ่งตรงเนี้นะเรียกว่ามันจะเป็นธรรมะที่แท้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราจริงๆซึ่งแน่นอนละนะในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะมันก็อาจจะยุ่ ง, ย, งยากๆหน่อยนะเพราะว่ามั น, ม, นมันอาจจะไม่คุ้นนะโดยเฉพาะบางคน นะมาวัดป่าสุโกโตเป็นครั้งแรกนะหรืออาจจะ <c oughs> ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะมาปฏิบัติที่นี่ก็งงๆเขามายกไมย้ยกมือทําอะไรเนะขาไล่ยุงหรเปล่านะหรือเป็นท่าอะไรอะจอมยุทธหรือเปล่านะเหมือนหนังจีนนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะคุ้นนะคุ้นกับการนั่งนิ่งๆหลับตานะมีฝรั่งคนหนึ่งชาวรัสเซียเนี่ย นะชื่ออาร์เตอร์เนี่ยเนะขาถามว่ายกมือเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนหรอดูพระพุทธรูปไม่เห็นมีท่ายกมือเลยมีแต่นั่งหน้่งนิ่งๆใช่ไหมเออนะอันนี้เขาก็สงสยัยเกันชาวต่างประเทศนะเราคนไทยเองก็ยังสงสัยอยู่สมัยตอมาไปเรียนรู้นะกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยแต่ก่อนตามาก็เป็นคนที่ชอบนั่งสมาธินะ ใช้อานาปนาสติลมหายใจนะมันก็สงบดีนะแต่มันก็สงบเฉพาะช่วงนั่นแหละนะช่วงที่เรานั่งหลับตานั่นแหละนะพอเราลืมตาไปทำนูน่นทำนีนะ่บางทีมันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเรียกว่าตอนนั้นเรายังฝึกเบื้องต้นนะนะจริงจริงอนาปนาสติที่เขาฝึกกันถ้าฝึกจริงๆเนะี่ยมันก็ได้ผลนะโดยเพระยิ่งพุทธเจ้าท่านตัดสู่ด้วยอนาปนาสติ นะนั่งหลับตานะรู้ลมเข้าลมออกนะลมเนี่ยก็เป็นกายชนิดหนึ่งแต่เป็นกายที่ละเอียดนะถ้าเรารู้กายรู้ลมหายใจนะมันก็จะไปรู้อารมณ์รู้ความคิดนึกต่างๆนะซึ่งสิ่งนีนะ้ก็เป็นรูปแบบนะวิธีการในการปฏิบัติอันหนึ่งนะซึ่งเป็นที่นิยมกันแต่ทีนี้ที่วัดป่าสุกโตเนี่ย นะทำไมเราไม่นั่งหลับตาล่ะทำไมเราไม่ใช่ลมหายใจล่ะนะตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยนะจริงๆเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันเป็นของละเอียดเป็นของที่เบานะแรกๆเรานั่งนั่งพิจารนารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตอนแรกๆมันก็รู้สึกตัวชัดนะแต่ถ้าเรานั่งนั่งไปนานๆเนี่ย นะบางทีลมมันเบาเบาเบามันหายไปเลยบางทีนะหรือบางทีมันก็นั่งมาแล้วก็ง่วงนอนไปเลยก็มีนะเรียกว่าตกภวังก็มีนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นจุดอ่อนนหนึ่งสําหรับคนเริ่มต้นใหม่นะที่ยังไม่คุ้นนะกับการฝึกจิตฝึกใจหลวงประเทียนเนี่ยท่านก็ได้ไปเรียนรู้นะวิธีการฝึกอานาปนสติลมหายใจเคยไปเรียนวิชาพุทธโธ นะทนเท่าที่ได้ยินได้ฟังนะจากครูบาอาจารย์จากลหลวงน้าของท่านบ้างนะท่านก็บอกว่ามันได้แต่ความสงบเฉพาะตัวท่านนะเฉพาะตัวท่านเนี่ยท่านบอกมันได้แต่ความสงบนะตอนหลังท่านก็มาเรียนรู้นะวิธีการเคลื่อนไหวนะก็เรียกว่าวิธีตีงนิ่งนะเป็นภาษาลาววิธีนี้หลวงพ่อคำเขียนเล่าให้ฟังว่ามันมาจากพมา่านะพร้อมกับวิธียุบหนอพองนอ นาะมาที่วัดมหาธาตุพร้อมกันเลยแต่ว่าในเมืองไทยไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายไปแพร่หลายที่เมืองลาวหลวงพ่อเทียนท่านอยู่เมืองเลยอําเภอเชียงคานบ้านบุโฮมติดกับริมแมน่นะ้ําโขงแล้วก็ท่านทําการค้าล่องเรือไประหว่างเมืองเลยกับหลวงพู่บางท่านเป็นคนใฝ่ใจสนใจในการศึกษานะโดยเฉพาะการฝึกจิตฝึกกรรมฐาน นะท่านพบพระครูบาอาจารย์นั้นก็พยายามเรียนรู้ทุกวิธีการนะแต่ท่านมาพบตรงกับจริตนิสัยของท่านก็คือการเคลื่อนไหวแล้วท่านก็ได้ลองทดลองนะทำด้วยตัวท่านเองเมื่ออายุ46ปนะีท่านใช้เวลา2วันนะสามารถที่จะออกจากความทุกข์ไดนะ้ซึ่งตรงนีนะ้เป็นเรื่องที่ออมาสัจจันมากเป็นโยมนะ เข้าใจธรรมะออกจากทุกได้ไม่ใช่เป็นพระด้วยนะหลังจากที่ท่านได้เรียนรู้นะท่านได้ฝึกมีประสบการณ์ตรงนี้ท่านก็เอาไปถ่ายทอดนะกับคนในบ้านานะจะเป็นภรรยาท่านก็ดีพี่น้องญาสนิทมิตรหายก็ดีนะหรือเพื่อนฝูงที่เคารพนับถือกันก็ดีที่บ้านบุโหนาะท่านสอนอยู่หนึ่งปีกับแปเดือนขณะเป็นโยมเป็นคารวาส นะตอนหลังท่านก็มาพิจารณาว่าถ้าท่านยังเป็นโยมอยู่เนี่ยธรรมะวิธีการรูปแบบเนี้ยมันก็คงจะแคบแคบอยู่นะเพราะว่าเมื่อประมาณ60สกว่าปีที่แล้วเนี่ยโยมมาพูดธรรมะเนี่ยไม่ค่อยมีใครฟังหรอกนะต้องเป็นพระท่านก็เลยบวชนะแล้วท่านก็ได้นำวิธีการเหล่านี้เผยแพร่ออกไปนะที่เผยแพร่กว้างขวา ง, วางที่สุดตอนที่ท่านมาวัดชนประทาน นะประมาณปี2 0 1 8 2 1 1 9ได้พบกับอาจารย์โกวิทนะซึ่งเป็นศิษย์ของอาจารย์พธาธาุทธทานะุแล้วก็อาจารย์โกวิทเนี่ยก็สนใจนะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไปเผยแพร่กับหมู่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอัตมาก็เป็นคนหนึ่งนะที่ได้ยินได้ฟังจากอาจารย์โกวิทนะแล้วก็ได้ไปศึกษากระหลงพระเทียน นะตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะ่าอยู่มาวิทยาลิธรรมศาสตร์นะประมาณปี2อ2 0นะตอนไปใหม่ๆเนี่ยนะก็งงๆเหมือนกันนะมานั่งยกมือมันจะสงบได้ยังไงมันจะรู้ตื่นได้ยังไงนะก็สงสัยอยู่ว่าจะก่อนเราคุ้นกับการนั่งหลับตาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะแต่ก็เรียกว่าเราก็ สงสัยแต่เราก็ทำนะได้ยินได้ฟังแม้ว่าแรกๆฟังหลวงพ่อเทียนไม่เคยรู้เรื่องหรอกเพราะท่านพูดพูดภาษาอีสานนะฟังไม่รู้เรื่องแต่เราก็เงี้ยหูฟังนะแล้วก็ฟังจากอาจารย์โกวิดบ้างฟังจากรุ่นพี่ครูบาอาจารย์นะท่านมาถ่ายทอดต่โดยเฉพาะได้มีโอกาสพบกับหลวงพ่อคาเขียนที่วัดสนามในเหมือนกันนะหลวงพ่อคำเขียนนี่ท่านพูดภาษากลางได้ นเราก็เลยเออน่าสนใจในวิธีการนี้วิธีการนี้มันแตกต่างจากอนาปนสติที่เราเคยฝึกยังไงมันแตกต่างในรูปแบบวิธีการนะคือเราไม่ต้องไปรู้ที่ลมหายใจก่อนนะเรามารู้ที่การเคลื่อนไหวของกายก่อนการมารู้ที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะรู้ได้ง่ายรู้ได้ชัดนะเพราะว่ากายเนี่ยนะมันเป็นของที่มันมันหยาบละ นะมันยาบกว่าลมหายใจลมหายใจมันละเอียดแตนะ่เราเคลื่อนมือยกมือยกมือไปเอามือมาเนี่ยมันปลุกความรู้สึกตัวได้ได้ได้ง่ายง่ายกว่าลมหายใจนะเรายกมือเนี่ยเออมันก็รู้สึกตัวเนาะไม่ต้องหลับตานะลืมตาเนี่ยนะแล้วไม่ต้องทอง่ทองคําบริกรรมด้วยนะไม่ต้องบอกเอ่อหนึ่งสองสหรือว่าพุโทโธสัมมาหลังไม่ต้องเลยเพียงแค่เราพลิก มือรู้สึกยกขึ้นรู้สึกรู้สึกนี่คือรู้สึกตัวรู้สึกเป็นครั้งเป็นครั้งไปนะอย่าไปรู้แบบจี้นะนะรู้ธรรมดาธรรมดานี่พริกก็รู้ยกก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้รู้สึกตัวอย่ารู้อะไรมากกว่านั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราเคยใช้มาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็ก แต่พอเราโตขึ้นเราเข้าโรงเรียนเราคิดใช้ความคิดในการเรียนรู้ความรู้สึกตัวเราไม่คยได้ใช้เพราะฉนั้นถ้าเราคิดโดยไม่มีความรู้สึกตัวกากับเนี่ยบางทีมันคิดไปจนไม่จบอ่ะมันคิดไปเรื่อยเปื่อยอถึงบางทีขนาดนอนมันก็ยังคิดน่ะ mm hmm. ก็เรียกว่าคิดฟุ้งซ่านน่มันไ ม, ม่มีตัวกากับธรรมาชาติเนี่ยเามีตัวกากับความคิดคือความรู้สึกตัว ตรงนี้นี่แหละนะมันทำให้เราบางทีเราก็นะรู้ว่าจะนอนแล้วมันยังคิดแต่เราก็ทำอะไรมันไม่ได้เราไม่มีเครื่องมือนะแต่พอเรามาฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยอ๋อนี่นะเครื่องมือในการจัดระเบียบความคิดควบคุมความคิดนะโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดนะนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวต่อรองเป็นตัวถ่วงดุลไม่ให้เราคิดเพลินเลิดไป ใจเราก็จะไม่หลงไปกับความคิดนะใจเราจะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวการเคลื่อนไหว14จังหวะนะที่หลวงพระเทียนได้นำเสนอการเดินจงกรมนะด้วยการเดินด้วยก้าวปกตนะิเดินตามปกติไม่ช้าไม่เร็วไม่ต้องมีคำบริกรรมนะมันเป็นการจำลองนะการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวั น, นมาอยู่ในรูปแบบ นะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะฝึกได้ง่ายแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนะารวาะญาติโยมเนี่ยนะเราจะหาเวลาที่จะไปนั่งหลับตานิ่งๆเหมือนพระในวัดเนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่จะต้องทำอะไรนะมากมายเราก็หาเวลาที่จะไปนั่งสงบอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างยากมาก แต่ถ้าเราฝึกกับการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเรารู้การเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ง่ายขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็เหมาะกับยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เรียกว่าเคลื่อนไหวนะเราไม่ได้นั่งนิ่งๆนะถ้าเราสามารถที่จ ะ, ะคุ้นชินนะกับความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวในรูปแบบแล้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันมันจะง่ายขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการเดินการยืนการนอนในชีวิตประจําวันการกินการดื่มการเคียวการลิ้มนะเราก็รู้สึกตัวได้การขับรถก็รู้สึกตัวได้การถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้สึกตัวได้การนุ่งห่มก็รู้สึกตัวได้นะ ใหม่ๆเนี่ยเราอาศัยรูปแบบก่อนนะะอย่าเพิ่งลัดขั้นตอนไปใช้เลยแต่บางทีมันก็มันก็ไม่ชัดเนี่ยนะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีมันก็ไม่ชัดนะเราทําในรูปแบบให้มันชัดเจนให้มันระลึกรู้สึกตัวชัดเจน <c oughs> สัมผัสกับความรู้สึกตัวชัดๆ <c oughs> ถ้าเราชัดเราทําบ่อยๆให้มันต่อเนื่องเนี่ยมันจะจดจําได้ นะเป็นความจดจําที่เกิดจากการปฏิบัตนะิซึ่งความจดจําเนี่ยมันก็จะติดเนื้อติดตัวไปนะซึ่งรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยนะเราก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วนะยกมือพลิกมือรู้สึกตัวนะเดินจงกรมรู้สึกตัวขณะที่ก้าวเดิน <c oughs> ตรงเนี้ยใหม่ๆเนี่ยมันจะยังงงๆมันจะมีคําถามว่าเอ๊ะ รู้สึกตัวมันเป็นยังไงเอ๊ะเดินแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะมันว่างๆเปล่าๆนะบางคนก็จะสงสัยก็เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าเราไม่คุ้นเราไม่ชินแต่ให้ลงมือทำเถอะนะแม้ว่าใหม่ๆมันจะยังไม่รู้อะไรนะบางคนเนี่ยนะตั้งใจมาวัดป่าสุกโตจะมาฝึกจิตมาฝึกกรรมฐานใ้มันสงบ ไม่ต้องคิดอะไรจะได้สบายใจแต่พอมาฝึกยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมโอ้โหมันฟุ้งหน้าดูเลยนะคิดอะไรกันไม่รู้อยู่ที่บ้านไม่เห็นมันคิดอย่างนี้เลยทําไมมาปฏิบัติแล้วมันคิดฟุง้งซ่านอยู่ที่บ้านก็คิดแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่เห็นมันแล้วไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจมันเพราะเรามีเรื่องที่จะต้องทําแล้วเราก็ไปใส่ใจกับเรื่องข้างนอกจิตที่มันคิดนึกเนี่ยเราไม่เห็นมัน แราพอมาอยู่วัดป่าสุขโตระวางการวางงานใช่ไหมเรามายกมือเรามาเดินจงกรมเนี่ยความเคยชินที่จะคิดเนี่ยมันแสดงตัวออกมาแต่เราไม่รู้เรารู้สึกลำคาญเราไม่ชอบเราอยากจะสงบเราอยากจะเงียบๆ เ, เราไม่อยากจะคิดอะไรนะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธความจริงของธรรมชาติธรรมชาติของจิตมันมีหน้าที่คิด เมื่อมันมีหน้าที่คิดสิ่งที่เราจะทำก็คือฝึกความรู้สึกตัวให้รู้สติมีหน้าที่รู้จิตมีหน้าที่คิดมันคิดคิดไปแต่เราไม่ตามมันนะมันคิดคิดไปเราทิ้งเลยเรากลับมารู้สึกตัวใหม่ๆเนี่มารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวเจตนาหน่อยใหม่ๆเนี่ยเจตนาหน่อยอย่าไปทำแบบลอยๆ ย, ยกมือแบบลอยๆนะอันนี้มันจะไม่ชัด เพราะนั้นใหม่เนี่ยเจตนาที่จะระลึกรู้พลิกก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้ทีละครั้งทีละครั้งนะเป็นครั้งเป็นครั้งไปอย่าไปจี้รู้จี้รู้มันจะหนักมันจะมึนมันจะเบื่อใหม่เนี่ยรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรมันเผลอคิดไปเรากลับมารู้มันเผลอคิดไปเรากลับมารู้ตรงนี้เราจะเริ่มที่จะฝึกให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกาย นะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจเนี่ไม่หลงไปกับความคิดแล้วนะตรงนี้เรียกว่าทวนกระแสมันถ้าเราทําอย่างนี้ได้บ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกนี่ใจมันจะมีที่อยู่ก็คือกายที่เคลื่อนไหวแต่ก่อนใจนมันไม่มีที่อยู่มันลอเห่เล่ล่อนไปกับความคิดคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามนะมันไปเรื่อยเปือ่อยก็เรียกว่าลอเห่เล่ล่อนแต่เมื่อเรา มาระ ล, ลึกรู้ที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยใจยก็จะมีที่อยู่ล้มีบ้านแล้วนะอยู่ตรงเนี้ยเมื่อใจอยู่ที่บ้านอยู่เรื่อยๆมีความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นอาการต่างๆของกายที่มันจะแสดงออกมาเช่นเรานั่งนานนามันปวดมันเมื่อยใช่ไหมแต่ก่อนเนี้ยเราก็ปวดเมื่อยก็รู้มันอยู่นะแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตมันนะเราจะเปลี่ยนปรับทันทีเราก็เลยไม่ได้เรียนรู้ นะไม่ได้เรียนรู้ความปวดความเมื่อยความปวดความเมื่อยของกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งที่เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อเรานั่ง น, น, นานๆมันก็ปวดก็มเมื่อยแล้วให้สังเกตนะความปวดเมื่อยมันจะส่งไปถึงที่ใจของเราใจมันจะรู้สึกไม่ชอบไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดนะอ่ะเราก็ไปเห็นใจที่มันหงุดหงิดใช่เนี่ยจากความปวดเมื่อยเราไปเห็นใจที่มันหงุดหงิด นะหรือวันบนตีโพยตีพายต่างๆไม่ไหวเลยทรมานนะเราลองทนสักนิดหนึ่งอย่าเปลี่ยนทันทีนะแล้วเราจะได้เรียนรู้นอกจากเรียนรู้กายที่มันเคลื่อนมันไหวอาการปวดเมื่อยเราไปเห็นจิตที่มันคิดนิกกิจนะแล้วก็จะไปเห็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ของตัว ตอนนั่งแรกๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งไปนั่งมาเอ้ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยใช่ไหมใจก็เหมือนกันมันปกติอยู่เฉยๆธรรมชาติธรรมดามันปกติเฉยๆแต่พอมันปวดมันเมื่อยกันมาอ่ามันมันชักมดุดหิดละอ้ามันไม่ปกติแล้วนะตรงเนี้ยเราก็เห็นนี่คือความจริงธรรมชาติของกายของใจที่เขาแสดงออกมาแต่เพราะความที่เราไม่รู้ธรรมชาติตรงเนี้ย เราก็เลยเข้าไปพอใจไม่พอใจนะแล้วบางทีก็ไปเข้าใจว่าไอ้ความปวดความเมื่อยเนี่ยเป็นตัวเราจริงๆขามันปวดกายมันปวดมันไม่ใช่ตัวเราปวดนะคิดใจก็เหมือนกันมันคิดมันนึกไปอย่างนั้นแหละนะเราไม่เห็นความจริงเราก็พอใจไม่พอใจไม่ชอบนะไม่อยากให้มันเป็นนะตรงเนี้ยเมื่อเราไม่เห็นเราก็ทุกข์อะไรสิใช่ไหม ตรงเนี้ยแต่ถ้าเราเห็นเรารู้เราก็ผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขอะมันปวดมันเมื่อยให้มันลองดูสินะมันจะปวดเมื่อยขนาดไหนมันจะทนได้ไหมนะถ้าทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่เปลี่ยนตามความเจ็บความปวดหรือเปลี่ยนไปตามความเคยชินตรงเนี้ยเราจะได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจที่เขาแสดงออกมา ถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเห็นบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะ่มันจะเกิดความเอื่มละอาเอื่มละอาในการเข้าไปยึดไปถือในร่างกายในจิตใจนะเช่นยึดถือความสบายพอมันไม่สบายก็รู้สึกอึดอดัดนะพอสบายก็โลง่งสบายนะอันนั้นเรียกว่าไปติดทั้งสุขติดทั้งทุกข์อ่ะมันไม่ปกติมันไม่เฉยๆนะตรงเนี้ย มันก็จะทำให้เราชีวิตของเราเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะพอใจก็เหมือนใจมันฟูขึ้นพอไม่พอใจก็ใจมันแฟบลงถ้าเรามีสตินะความรู้สึกตัวมันชัดมันจะเห็นการขึ้นการลงอย่างเงี้ยและสุดท้ายมันจะปกติอย่างขณะที่ฟังตอนนี้เนี่ยเราลองสังเกตดูนะถ้าเราไม่ง่วงเหงาหงานอนใจเราเป็นยังไงเฉยเฉยใช่ไหมปกติใช่ไหม อันนี้คือธรรมชาติเดิมแท้ของใจเราไอ้ที่ดีใจเสียใจอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติเดิมแท้มันเป็นสิ่งที่จอนเข้ามาเป็นครั้งคราวเมื่อเราลืมตัวนะเมื่อเราไม่รู้ตัวเมื่อเราขาดสตินะเพะฉะนั้นในการฝึกเนี่ยเราฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้เห็นความปกติเห็นความไม่ปกตินะถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆซ้าแล้วซ้าอีกเนี่ยนะเรียกว่าใจเนี่ยมันจะกลับมาสู่ ที่เดิมของมันได้ก็คือความเป็นปกติและความปกตินี่แหละเขาเรียกว่ า, าศีลภาษาบาลีศีลใจที่ปกติคือใจที่มีศีลเมื่อใจมันปกติมีศีลพูดเนี่ยก็จะพูดด้วยด้วยใจที่ปกติาทาด้วยใจที่ปกติเนี่ยเป็นศีลสติทาให้เกิดศีลขึ้นมาและเมื่อเราทาให้ต่อเนื่องจิตมันตั้งมัน่น นายเห็นอาการต่างที่เกิดขึ้ น, นแล้วก็เป็นใจที่พร้อมที่จะทำสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าให้มันพอเหมาะพอดีอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิสมาธิไม่ใช่เป็นนั่งหลับตานิ่งอันนั้นมันรูปแบบท่าทางแต่ใจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง น, นั่นคือมีสมาธิแล้วเราเห็นอาการต่างๆของกายของใจที่มันเกิดขึ้นและแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่คงตัวไม่ ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเรานั่นนะเป็นปัญญาจากสติเนี่ยทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญานะซึ่งศีลสมาธิปัญญาถ้าขยายออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นมรรคมีองค์8อย่างศีลเนี่ยเรื่องอะไรบ้างการพูดจาชอบใช่ไหมการทาการงานชอบการประกอบอาชีพชอบคาว่าชอบในที่นี้คือทำให้มันถูกต้อง พูจะชอบไม่พูดคําหยาบไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะฮเนี่ยอันนี้มันจะเป็นศีลไปการทํางานการงานชอบคำว่าการงานเนี่ยบางทีเราทำให้นึกว่าเป็นงานใช่ไหมก็คือการกระทําทางกายเรานะ่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทําผิดเอ่อเรื่องของอะไรอะ่ะเรื่องของทางกรมอ่ะนะไม่ไปผิดลูกผิดเมียเขานะอันนี้ก็เป็นศีล นะสมาธิจิตใจตั้งมัน่นะเห็นวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณคืออะไรก็คือความคิดนั่นแหละวิตกมันคิดก็มาเรื่องข้างในวิจารณ์มันคิดไปเรื่องข้างนอกวิตกวิจารณแล้วบางทีเราปฏิบัติเออมันมีปิติมีสุขนะขนลุกขนชันขึ้นมาบางคนนะตัวเบาๆนะเนี่ยเป็นปิติเป็นสุขเกิดขึ้นฌานหนึ่งเกิดขึ้นและนะ เพราะนั้นชานี่ยไม่ใช่ไปต้องนั่งตัวแข็งไม่ใช่นะแล้วถ้าเราสังเกตดูไปเรื่อยๆนะความคิดมันววดมาแวบไปแวบมาแวบไปตอนแรกมันก็มีกำลังมากใช่พอเรารู้สึกตัวบ่อยๆมันก็จะ จ, จางคายไปวิตกวิจารสงบลงมีแต่ปิติและสุขชาน2และใช่มชาด3าก็สตินใจวางเป็นอุเบกขาสติบริสุทธ นะแต่จะยังมีสุขมีทุกมีโสมนัสโทมนัสคำว่าโสมนัสโทมนัส น, นี่ก็คือความสุขในใจเวทนาเนี่ยมันมีอยู่ห้าตัวนะทุกขเวทนานี่สุขเวทนานี่คือเรื่องของกายอ่ะแต่โสมนัสโทมณัสก็คือความสุขความทุกในใจความพอใจไม่พอใจอ่ะแล้วมันมีตัวสุดท้ายก็คือไม่สุขไม่ทุกปกติธรรมดาทุก ข, ขมนสุขอะไรเนี่ยนะนะ บางทีก็เรียกว่าอุเบกขานะตรงนี้เพระาะฉะนั้นชา้นหนึ่งชา้นสองชานสามเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยการเจริญสติไม่ต้องไปนั่งโตแข็งหลับนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อสุขและทุกข์มันจางคายไปสติมันเด่นขึ้นมาสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์น ะ, สะแสดงออกมามีความรู้สึกตัวท้่สติตรงนี้ประกอบไปด้วยปัญญานะไม่ใช่สติเฉย แตนะ่พระทาสติมาปัญญามันก็มาพร้อมกันนะมนก็จะเห็นความจริงของกายของใจสิ่งที่เราเคยไปยึดไปถือเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกจนมันเอื่มละอาจนเบื่อหน่ายมันก็ปล่อยวางไปใจก็เป็นอิสระนะใจที่ปกติแสดงเด่นขึ้นมานะก็เป็นใจที่ปกติเฉยๆไม่สุขไม่ทุก ข, ข์ธรรมดาคําว่าเฉยในที่นี้ไม่เฉยแบบซึบบือ้อไม่รู้เรื่องรู้ลาวนะ ไม่เฉยแบบเย็นชานะสมัยก่อนหลวงพ่อคาเขียนไปที่วัดผาราดอัตมาได้มีโอกาสพบกับท่านอัตมาก็สงสัยเอ๊ะหลวงพ่อ้เฉยนี่มันเฉยแบบเย็นชามั้อที่หลวงพ่อบอกเฉยเฉยอเงี้ยแต่หลวงพ่อบอกไม่ใช่มันเฉยแบบมีปัญญานะมันรู้มันพร้อมที่จะทําการทํางานไม่ใช่เฉยแบบปล่อยวางปล่อยปาดละเลยอะ่ะนะเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ ถึงก็พอใจไม่พอใจแต่มันเป็นปัญญาพร้อมที่จะทำสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าควรจะทำอะไรและไม่ควรจะทำอะไรนะอันนี้เป็นเรื่องปัญญานะเพราะนั้นความเฉยในที่นี้เนี่ยนะถ้าเราสัมผัสบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยตรงนเนี้ยนะก็เรียกว่าเป็นความไม่ทุกข์ละแล้วเราจะเอาอะไรอีกล่ะใช่มเพราะนั้นในการเจริญสติเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นของสมาธิแล้วมันก็เกิดปัญญา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสังเกตไหมสัมมาทิฏฐิก็บอกว่าความรู้ในทุกข์ไม่ใช่ความรู้อย่างโลกโลกนะความรู้ในทุกทุกที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเนะี่ยเรารู้เราเห็นมันแล้วไม่รู้แต่ทุกนะรู้เหตุแห่งทุกด้วยที่เราไปหลงยึดถือลงความอยากกิเลสตัณหาอุปทานนะั่นะเป็นเหตุ แล้วมันไปรวมลงตรงที่ไม่รู้ตัวนะที่เรียกว่าวิชานะแหละเหตุแห่งทุกข์แล้วก็มีทางออกจากทุกข์ก็คือสภาพที่ใจมันปกติมันแสดงออกมาเป็นบางครั้งบางเวลาแล้วสุดท้ายทางที่ออกจากทุกข์มักมีองค์แดที่เราสวดกันไปเมื่อสักครู่เนี้ยเนี่ยเพราะนั้นตัวสติเนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดอริยมรรคมีองค์แดขึ้นมาเพราะนั้น การฝึกสติปัฏฐานเนี่ยทำอย่างเดียวนะธรรมะมันเกิดมาเป็นพวงๆเลยหลวงพ่อขงเขียนใช้คำคำนี้พระพุทธองค์ถึงบอกว่าสติปัฏฐานสเนี่ยจึงเป็นทางสายเอกนะ ค, ความไม่ประมาทเนี่ยนะก็คือทางสายเอกก็เปรียบเทียบว่าสมัยก่อนเนี่ยนะ ลอยเท้าช้างเป็นที่รวมลงของรองเท้าสัตว์ทั้งหลายสติคือความไม่ประมาทนีเป็นที่รวมลงของคุณธรรมทั้งหลายเพระาะฉะนั้นเราฝึกสติน ะ, ะมันจะมีศีลสมาธิไปพร้อมกันเลยอรอยิยมรรคมีองค์แปก็ไปพร้อมกันเลยเป็นจุดเริ่มต้นนะที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นอิสระอิสระจากความทุกข์เส้นทางนี้ก็เลยจึงเรียกว่าเส้นทางที่ประเสริฐเป็นทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทาการเดินตามอริยมรรคมีองค์ทางสุดตรงสองทางเราก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะทางหนึ่งมัวเมาลุ่มหลงในเขาเรียกว่าสิ่งที่น่ายินดีรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสทรัพสมบัติข้าวของเงินทองนะซึ่งในอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามอนาคตก็ตามคนก็ยังลุ่มหลงอย่างนี้อยู่ แล้วรุ่มหลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเบื่อเอื่มละอามันก็จะเด้งมาอีกทางหนึ่งก็คือไปเป็นฤๅษีชีภัยทรมานตัวเองนะซึ่งสองทางเนี่ยเป็นทางสุดโตกงพระพุทธองค์ทิงเสนอทางที่สาทางสายกลางนะั่ก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองซึ่งตรงนี้นะสิ่งที่เราสามารถจะเดินได้นะที่จะทําได้ง่ายๆไม่ยากก็คือการที่เรามาเจริญสติ แล้วการเจริญสตินี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะมัวแต่มายกมือเดินจงกลมโดยไม่เอาการทา ง, งานนะเราก็ทําทําการทํา ง, งานช่วยเหลือส่วนรวมไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนเนาะช่วยงานช่วยกันกันนะไม่ใช่หลบลี้หนีหนะ้าไม่เอาการทํา ง, งานเลยนะบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสตินะเพราะว่าการเจริญสตินี่แม้ในการทํางานเราก็สามารถจะทําได้แต่ว่า อย่าลืมทำในรูปแบบกันละกันบางทีนะการเจริญสติการฝึกในรูปแบบเนี่ยบางทีมันก็เบื่อเหมือนกันแหละนะบางทีเจออารมณ์อย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากทำบางคนนี้ก็ไปทำการทำงานอย่างเดียวเลยนะไม่เอาแล้วไม่ฝึกแล้วนะอันนั้นก็สุดโต่งอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นฝึกไปด้วยทำงานไปด้วยนะตรงนี้มันก็จะได้ทั้งสองอย่างเรียกว่าได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อมๆกัน นะซึ่งตรงนี้แหละจะทําให้ชุมชนสังคมของวัดป่าสุกโตเนี่ยเป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สมกับที่เรียกว่าสถาบันสติปัฏฐานนะอย่าให้วัดป่าสุกโตเนี่ยเป็นสุกโตรีสอร์ทลิมิตส์อะไรอย่างเงี้ยนะบางคนมาเพื่อจะมาพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้มาปฏิบัติมาอะไระมากินกินนอนๆอนนะทำตามใจตัวเอง นะอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าเสียโอกาสในการมาวัดป่าสุกโตนะเพราะนั้นตรงเนี้ยก็อยากจะฝากพวกเราไว้เนาะสิ่งที่เราได้ยินจากครูบาอาจารย์เนี่ยเอาไปลองทำเลยลองผิดลองถูกไม่มีหลักจะถูกหมดนะและไม่มีหลักผิดนะนะ <c oughs> ลองผิดลองถูกเดี๋ยวมันมีข้อสรุปเองแล้วปฏิบัติไปมีปัญหามีข้อกัดข้องพยายามช่วยตัวเองก่อน <c oughs> นะมันง่วงมันเบือ่อมันฟุ้งซ่า <c> น <oughs> พยายามแก้ด้วยตัวเองถ้าแก้แล้วมันแก้ไม่ได้เออต้องหากัลยาณมิตรละหาครูบาอาจารย์ละไปถามไปพูดไปคุยนะตรงเนี้ยมันจะทำให้การเดินทางของเรามันมันเร็วขึ้นนะไม่งั้นก็เนินช้าประนั้น <c oughs> การมาบวชก็ดีการมาใช้ชีวิตที่นี่ก็ดีนะอย่าลืมเรื่องนี้เรื่องอื่นก็ ก็ทำไปเถอะแต่การฝึกการเจริญสตินะอย่าลืมอันนี้คือเอกลักษณ์ของวัดป่าสุกโตการมาวัดป่าสุกโตเนี่ยต้องมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าไม่เรียนรู้พวกนี้นี่เสียโอกาสเลยนะจะมาบวชสวันมาบวชหนึ่งเดือนมาบวชสองอาทิตย์หรืออย่างตอนนี้คณ <c oughs> นะอาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิตของจุฬานามาอยู่หวัน ก็มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ยน้าก็ทํากันให้ต่อเนื่องน้ก็ชวนกันทนํานะเราอยู่กุฏิเราก็ทํากันอย่าไปเห็นแก่ความสะดวกสบายง่วงหลับง่วงนอนอย่าไปทําตามใจตัวเองเช้าเอ็นเพนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจําวัดไม่มีที่วัดป่าสุกโตนะถ้าเราทําอย่างเนี้ย <c oughs> เป็นหนี้เขานะเป็นหนี้แม่ครัวเป็นหนี้ชาวบ้านที่เขามาทําบุญน้าเขาหวังว่าเราจะมาปฏิบัติธรรม เราไม่ได้มาเพื่อที่มากินมานอนนะถ้าเราอย่างเนี้ยเราไม่เป็นหนี้เขานะเราปฏิบัติเราช่วยงานส่วนรวมอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะเรียกว่าทาประโยชน์เกิดคุณค่ากับตัวเองเกิดคุณค่ากับสังคมนะนี่ก็ฝากเอาไว้เนาะอะไในท้ายที่สุดนี้ก็ขออันงงิงคุณของภาษีรัตนตรยัยนะก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, นาคือเสดสัมปชัญญะที่เมียตัวเราพระธรรมคือเจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมาที่กายที่ใจและก็ที่สิ่งแวดล้อมต่างๆพระสงค์คือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนนด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาก็ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นพลวัปัจจัยหนุนนาให้ทุกท่านเข้าถึงความเป็นอิสระ แห่งใจได้สัมผัสกับความเป็นปกติเป็นความสุขเกษมสารในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร